บทที่หกสิบใช้นี่นกระสาเช้าวันพฤหัสบดีที่28กรุงภาพันธ์พุทธศักราช2517หลังจากปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้สพัพพสัตว์ และเจ้ากรรมนายเวรก่อนที่ท่านจะกําหนดลืมตาหนอก็มีเสียงกล้องดังอยู่ในโสดประสาทวันนี้ใช่นี่นกกระสาวันนี้ใช่นี่นกกระสาฉับพลันท่านก็ระลึกถึงกรรมที่ได้ทําไว้กับเจ้านกตัวนั้นจึงตอบในใจว่ารู้แล้วเอาเถอะเราขอชดใช้บาปที่เคยทํา กรรมที่เคยก่อจะได้ไม่ต้องมีหนี้สินติดตัวไปในภพหน้าแล้วท่านจึงกำหนดลืมตาเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีสำหรับการเตรียมตัวพันโทวิทย์จะมารับท่านไปในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ซึ่งนางสาวบงกฎรัตเป็นผู้นิมนต์ไว้เวลาหกโมงสิบห้านาทีในขุนทองก็ขึ้นมารายงาน หลงลงฮะผู้พันมาแล้วะท่านเจ้าของกุฏิรับทราบและชมว่ามาแล้วหรือตรงเวลาดีจริงนายสมชายถือย่ามเดินลงมาก่อนที่วันนี้ไม่ต้องทำหน้าที่ขับรถเพราะท่านพระครูบอกว่าผู้พันรับอาสาขับรถมารับมาส่งสิทธวัดลงไปแล้วท่านพระครูจึงกำหนด ยืนหนอพร้อมกับลุกขึ้นยืนเมื่อเดินไปยังบันไดก็กําหนดเดินหนอเดินหนอและเมื่อก้าวลงบันไดท่านก็กําหนดลงหนออนิจจาแม้จะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตแต่ในเมื่อถึงการที่อกุศ ล, ลกรรมมาให้ผลก็เกิดเหตุขึ้นจนได้ ท่านพลัดตกลงมานั่งพาเพียบแต่อยู่บนแท่นพักบันไดรู้สึกปวดแปลบที่ขาข้างขวาและท่านก็รู้ว่ามันหักเรียบร้อยไปแล้วเพราะกรรมที่เคยหักขานกเสียงเหมือนของหนักตกลงมาทำให้ในายสมชายเปิดประตูเข้าไปดูเห็นท่านเจ้าของกุฏินั่งพาเพียบอยู่บนแท่นพัก ชายนุมก็พอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อตกบันไดเหรอครับถามอย่างตกใจเจ้ากรรมในเวรเข้ามาทวงท่านพระครูตอบพลางกำหนดปวดหนอปวดหนออยู่ในใจและเป็นอย่างไรบ้างครับถามพลางวิ่งเข้าไปประคองไม่เป็นอะไรหรอกแค่ขาหักตอบหน้าตาเฉย ขาหักนายสมชายพูดเสียงดังเมื่อได้ยินคำตอบเขาเรีบเปิดประตูออกมารายงานพันโทวิทย์ผู้พันครับหลวงพ่อตกบันไดาขาหักพันโทโหนมใหญ่รีบเข้ามาช่วยกับนายสมชายประคองท่านออกมานั่งยังอาสนะอาจารย์ชิดต้องพักการเดินจงกรมแล้วก็ามานั่งใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงผมจะนำท่านส่งโรงพยาบาลนะครับ พันโทวิทย์พูดใจนั้นนึกกังวลว่าคงจะไปไม่ทันเลิกอย่างแน่นอนท่านพระครูรู้ใจจึงว่าไม่ต้องหลอกผู้พันยังไงยังไงอาตมาก็ต้องไปให้ทันเลิกเขาขอพักสักห้านาทีเท่านั้นอาจารย์ชิดแย้งขึ้นว่าแต่หลวงพ่อขาหักนะครับจะทนปวดไว้เหรอครับ ไหว้หรือไม่ไว้อาตมาก็ต้องทนเพราะอาตมากำลังใช้หนี่กรรมโยมเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีกรรมเดี ก, กันทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วผมจะนำหลวงพ่อส่งโรงพยาบาลนะครับนายทหารพูดอย่างโล่งอกไม่ต้องผู้พันไม่ต้องอาตมาขอบใจในความปรารถนาดีของผู้พัน อาตมาตั้งใจไว้แล้วว่าจะชดใช้กรรมเดือนเดียวก็หายเป็นปกติพูดจบท่านก็หลับตาสำรวมจิตตั้งมั่นแล้วจึงร่ายคาถาพระโมคคลาประสานกระดูรักษาขาข้างที่หักเสร็จแล้วจึงลืมตาบอกนายสมชายและนายทหารผู้นั้นว่าเรียบร้อยแล้วไปกันหรือยังคนทั้งสองเข้ามาประคองท่านให้ลุกขึ้น หากท่านห้ามไว้ไม่ต้องอาตมาลุกเองได้แล้วท่านค่อยๆลุกขึ้นเมื่อเท้าแตะพื้นความเจ็บปวดประดังมาอีกเป็นร้อยเท่าทวีคูณกระนั้นท่านก็แข็งใจเดินแต่ละก้าวสร้างความเจ็บปวดแก่ท่านจนแทบน้ำตาร่วงจึงจำต้องกำหนดปวดหนาปวดหนา อ, อยู่ตลอดเวลา หลวงๆแน่ใจหรือฮะว่าจะเดินไหวนายขุนทองถามพลางเดินตามไปส่งที่รถอาจารย์ชิดนั้นรู้สึกสงสารท่านจนอยากร้องไห้ท่านคงเจ็บปวดมากยิ่งกว่าเราปวดแผลหลายเท่านักแน่ใจสิว่าแต่ว่าเองช่วยดูแลโยมเข้าให้ดีวันนี้ข้าไม่ได้ออกไปบินธบาทเพราะฉะนั้นเองต้องไปเอาอาหารที่โรงครัว มาให้โยมเขาทั้งสองมือมือเช้ามือเพนอย่าเอาแต่นอนละ่ะท่านแสดงความห่วงใ ย, ยคนป่วยทั้งที่ตัวเองกําลังเผชิญกับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเห็นท่านเดินเกือบเหมือนคนปกติเพียงแต่ช้ากว่าพัานโทหนุ่มใหญ่จึงคิดว่าขาของท่านคงไม่ถึงกับหักอาจเพียงแค่กระดูกกร้าวเพราะถ้าหัก ต้องเดินไม่ได้เมื่อถึงรถนายสมชายเปิดประตูให้ท่านเข้าไปนั่งเบาะหลังส่วนตัวเขานั่งหน้าคู่กับคนขับรถออกแล้วพันโทวิท์จึงออกความเห็นว่าผมว่าขาของหลวงพ่อคงไม่ถึงกับหักนะครับเพราะถ้าหักต้องเดินไม่ได้หักส่ผูกพันอัตมารั่วหักแน่ เพราะเขามาเตือนก่อนแล้วว่าวันนี้ใช้นี่นกกสาและอาตมาก่อใช้แล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มากหลวงพ่ อ, อยังเดินได้อัศจรรย์เลอะเกินเขาว่าและหากไม่มาเห็นกับตาก็คงไม่เชื่อ มันก็ปวดจนน้ําตาแอบหยดเชียวละเน้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องเดินไม่ได้อาตมาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะผู่พันอย่าเพิ่งเข้าใจใผิดท่านรีบออกตัวไว้ก่อนเพราะคนธรรมดาในที่นี้อาตมาหมายถึงคนที่ไม่เคยฝึกจิตนะ่ะเพราะเขาจะไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้ต้องอาศัยพลังจิตใช่ไหมครับ ถูกแล้วตอนที่หลวงพ่อนั่งหลับตาทำปากขมุกขมิบนั้นหลวงพ่อท่องคาถาหรือเปล่าครับคนกำลังขับรถถามอีกใช่อาตมาใช้คาถาของพระโมคคลานะเป็นคาถาประสานกระดูกตอนที่ท่านถูกพวกโจนทุบจนกระดูกแหลกเป็นเม็ดข้าวสารหักซึ่งที่จริงต้องปรินิพานเพราะคนที่ถูกทุบจนกระดูกแหลกนั่นอนะ ต้องตายจริงไหมครับนอกจากผู้วิเศษเท่านั้นถึงจะไม่ตายนั่นสิท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้วิเศษเพราะนอกจากท่านจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านยังได้อภิน ญ, ญาหกอีกด้วยคือท่านเป็นพระอาหารหันต์ประเภทชะละภิญญาแต่ถึงปรนั้นท่านก็ยังหนีกรรมไ ม, ม่พ้น ในอดีตชาติท่านเคยทุบตีพ่อแม่และเมื่อจะปรินิพานท่านก็ต้องชดใช้กรรมนั้นแต่ท่านก็มีคาถาประสานกระดูกนี่ครับถึงยังไงก็คงไม่รู้สึกเจ็บปวดนสมชายออกความเห็นบ้างถึงจะมีคาถากอปวดฉันเองก็ปวดแทบขาดใจอยู่นี่คาถาไม่ได้ช่วยให้ใหายปวดนะ เพียงแต่ช่วยให้กระดูกมันมาประสานกันพอที่จะดำรงอัตภาพอยู่ได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิมท่านจึงห่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขออนุญาตปรินิพานแปลว่าถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตท่านพระโมคคลานะก็ปรินิพานไม่ได้ใช่ไหมครับสิทธวัดถามอีกต้องเป็นอย่างนั้น แต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเพระาะทรงทราบว่าอักพรส า, าวกทั้งสองจะต้องปรินิพานก่อนพระองค์หลังจากพระโมคคัลลานะปรินิพานไม่นานพระสารีบุตรก็จะปรินิพานหลวงพ่อครับพระโมคคัลลานะท่านเหาะเหินเดินอากาศได้จริงๆหรือครับคราวนี้คนถามเป็นนายทหารโยไม่เชื่อยอย่างนั้นหรือ ท่านย้อนถามก็เชื่อเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยมั่นใจเพราะมันขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ถ้าผู้พันอยากเชื่ออย่างมั่นใจก็ต้องทิ้งวิทยาศาสตร์แล้วก็มันจเจริญกรรมฐานเอาละอาตมาจะไม่พูดอะไรมากแต่จะขอทำนายไว้ว่าในอนาคตพวกฝรั่งก็จะเชื่อเรื่องเหล่านี้กันมากขึ้นพวกเขาจะหันมานับถือ พระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังและพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกหลวงพ่อครับผมอยากได้คาถาที่หลวงพ่อพูดเมื่อตะกี้นี้ในสมชายหันมาบอกเสียงอ้อมแอมคิดว่าอย่างไรเสียท่านพระครูก็คงไม่ว่าเขาต่อหน้าแขกเธอจะเอาไปทำอะไร ฐาถานั้นจะศักดิ์สิทธิ์ก็เฉพาะคนที่ฝึกสมาธิเท่านั้นคนที่ไม่เคยฝึกจิตถึงได้ไปก่อไร้ประโยชน์ถ้าเธออยากได้จริงๆก็ต้องมันเจริญกรรมฐานจิตถึงขั้นเมื่อไรแล้วก็จะให้ถ้าอย่างนั้นผมไม่เอาก็ได้ครับเพราะผมคงไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อว่าใช่หนุมปฏิเสธอย่างนิ่มนวล ชื่อขาถาอะไรนะครับคนกำลังขับรถถามคาถาพระโมคัลาประสานกระดูกแต่พูดก็พูดเถอะถึงจะมีคาถาอาคมครั้งเพียงใดก็นี้กฎแห่งกรรมไปไม่พน้นกอบพระโมคขลานะท่านเป็นถึงผู้วิเศษมีฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังต้องถูกกฎแห่งกรรมลงโทษจนต้องปรินิพพาน และที่หลวงพ่อตกบันไดเพราะกรรมอะไรครับนทหารถามทั้งที่แสนจะเกรงใจท่านพระครูจึงเล่าให้ฟังว่าเพราะกรรมที่อาตมาเคยหักขานกกระสาสมัยที่อาตมาอายุส2 1 3องาอตมาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกเรมากหาความดีไม่ได้เลยวันหนึ่งก็ออกไปยิงนกในทุ่ง ใช้หนังสติกยิงยิงให้มันตายเล่นๆว่างั้นแหละไม่ได้เอาไปกินไปอยู่อะไรที่นี่เจ้านกกระสาตัวนั้นมันไม่ตายแค่ปีกหักบินไม่ได้แต่สัญชาตญาณแห่งการรักชีวิตก็ทำให้มันวิ่งหนีอาตมาก็วิ่งตามตามจนเหนื่อยหอบแฮบแทมันเองก็คงเหนื่อยประกอบกับเจ็บที่ปีกด้วย พออาตมาหยุดหอบมันก็หยุดวิ่งพออาตมาวิ่งมันก็วิ่งก็ตามจับกันอยู่นานกระทั่งมันวิ่งไม่ไหวด้วยความแค้นพอจับได้อาตมา ก, ก็หักขามันทันทีโทษฐานทำให้เหนื่อยอยากวิ่งเก่งนักก็เลยหักขามันสองข้างเลยขาหักแล้วอาตมา ก, ก็โยนทิ้ง แถมพูดกับมันอีกว่าเอาสิวิ่งหนีอีกสิเก่งจริงก็วิ่งไปเลยโอ้โหตอนนั้นอาตมาใจคอหดเยี่ยมมากไม่นึกกลัวบาปกลัวกรรมทั้งที่ยายสอนจนปากเปียกปากแฉที่ไม่กลัวเพราะไม่เชื่อ ว, ว่าบาปกรรมมีจริงท่านระลึกนึกย้อนไปถึงอดีตขณะเล่าและตอนนี้หลวงพ่อเชื่อหรือยังครับ นสมชายถือโอกาสเย้วท่านพระครูไม่ตอบโดยไม่ต้องการจะปะคารมกับเขาต่อหน้าพันโทหนุ่มใหญ่เมื่อรถมาจอดหน้าบ้านเจ้าภาพกุลีกุจอมาต้อนรับโดยเฉพาะนางสาวบงกฎรัตซึ่งเฝ้าเชิงรัชงแงด้วยใจจดจออยู่กับนายทหารหนุ่มผู้นั้นก็ลงจากรถ ท่านพระครูพูดกับคนทั้งสองว่าเรื่องอัตมาขาหักไม่ต้องไปบอกเจ้าภาพเขารู้นะเดี๋ยวเขาจะเป็นกังวลวิดาของนางสาวบงกตรัตทำหน้าที่เปิดประตูให้ท่านพระครูส่วนนายสมชายกับพันโทวทิ์ต่างก็เปิดประตูลดลงมาเองคนเป็นทหารทำความเคารพว่าที่พ่อตาพลางหันไปมองคนรัก ชุดไทยสีครีมที่หล่อนสวมใส่กับกิริยานบไหวท่านพระครูอย่างนอบน้อมทำให้หล่อนดูเป็นกุลสตรีเต็มตัวเขาชอบผู้หญิงไทยที่แต่งตัวแบบไทยๆชอบมากแล้วก็ไม่อยากเห็นพวกหล่อนนุ่งยีนนี่มลข้างในเลยครับ เจ้าภาพเชื้อเชิญพลางเดินนําหน้าท่านเข้าไปข้างในซึ่งมีพระอันดับแปดรูปและแขกเหลือนั่งอยู่เต็มเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงเดินพลางกําหนดปวดหนอปวดหนอไปด้วยกระทั่งเข้าไปนั่งพับเพียบอยู่ตรงหัวแถวแม้จะรู้สึกเจ็บปวดรุดร้าวตรงขาที่หักแต่ท่านก็ใช้สติคมเวทนาด้วยการระลึกรู้ อยู่ว่ากำลังเสวยผลของกรรมดำคุณแม่ไปไหนท่านพระครูถามนางสาวบงกฎรัตกำลังดูแลเรื่องอาหารอยู่ในครัวค่ะหล่อนตอบไปตามมานั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ด้วยกันที่นี่บอกหลวงพ่อให้ตามหญิงสาวจึงลุกออกไปครูหนึ่งก็เดินตามหลังมานดาเข้ามา สตรีวัยห้าสิบกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วว่าดิฉันต้องขอตัวละคะ่ะหลวงพ่อต้องไปเตรียมอาหารถวายพระค่ะไปไม่ได้อัตมาไม่อนุญาตเพราะอยากให้โยมได้บุญโยมอยากได้บุญไหมละ่ะท่านถามอยากได้ข่าหลวงพ่อที่ดิฉันทําบุญนี่ก็เพราะอยากได้บุญคะ่ะมารดานางสาวบงกฎรับตอบ นั่นสิเพราะฉะนั้นโยมต้องตั้งใจรับศีลรับพรไม่ใช่ไปคลุกอยู่ในครัวเรื่องอาหารเป็นหน้าที่ของพวกแม่ครัวเขาจัดการกันเองเอาละได้เวลาตามเลิกแล้วอยากโยมตั้งใจรับศีลและฟังพระเจริญพระพุทธมนต์กันต่อไปท่านพระครูบอกเจ้าภาพและบรรดาผู้ที่มาร่วมงาน พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณก้านาฬิกาพระสงฆ์แปดรูปลาท่านพระครูกลับวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กับบ้านงานเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังไม่กลับท่านให้เหตุผลว่าอาตมามาทีหลังก็ต้องกลับทีหลังหากเหตุผลที่แท้จริงนั้นท่านต้องการให้คนที่เป็นทหารกลับคนเป็นสิทธิ์ได้รับประทานอาหารข้าวปลากันเสียก่อน โดยเฉพาะคนเป็นทหารนั้นคงยังไม่อยากกลับเป็นแน่บิดาของนางสาวบมงกฎรัฐรับหน้าที่เดินไปส่งพระสงฆ์8ปดรูปขณะที่ภรรยาและบุตรสาวช่วยกันจัดอาหารและเครื่องดื่มมาบริการแขกที่ประร่วมงานทุกคนต่างมีจิตผ่องใสเพราะอิ่มบุญท่านพระครูเองก็มีจิตผ่องใสแม้กายจะทุกข์ทรมาน เจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงออกจากบ้านงานเมื่อเวลาสิบนาฬิกาพอดิบพอดีพันโทวิทย์ขับตรงเข้าตัวจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะนำท่านไปโรงพยาบาลทั้งที่นั่งหลับตาท่านพระครูก็รู้ว่าไม่ใช่เส้นทางไปวัดป่ามะม่วงจึงถามว่าผู้พานจะพาอาตมาไปไหนไปให้หมอเขาดูขาหลวงพ่อหน่อยครับขอบใจ แต่อัตมาบอกแล้วว่าจะชดใช้กรรมอย่าให้อัตมาต้องเสียความตั้งใจเลยนะโปรดเลี้ยวรถกลับเถอะอัตมาขอร้องนายทหารหนุ่มใหญ่จึงจําเป็นต้องทำตามความประสงค์ของท่านไปให้หมอเ้าดูหน่อยไม่ดีหรอครับหลวงพ่อนายสมชายว่าไม่ดีแน่ก็ดชั้นบอกแล้วว่ามันเป็นโรคกรรม มดหมอที่ไหนก็ช่วยไม่ได้นี่ยังดีนาะทิขาหักข้างเดียวที่จริงต้องหักสองข้างเหมือนอย่างที่ทำเขาไว้ท่านหมายถึงเจ้านกระษาตัวนั้นเขาอาจจะเอาทีละข้างก็ได้คราวนี้ข้างขวาคราวหน้าข้างซ้ายในสมชายพูดตามประษาคนพูดปากมอมสมชาย รู้สึกว่าคุณพูดไม่ค่อยสวยเลยนะในทหารเตือนไกลไกายสิทวัดจำต้องปิดปากเงียบหลวงพ่อยังรู้สึกปวดหรือเปล่าครับคนกำลังขับรถถามปวดส่ผู้พันปวดตลอดเวลาเชียวและแต่ตอนนั่งปวดน้อยกว่าตอนเดินไม่เป็นไรหรอกผู้พันไม่ต้องเป็นห่วงอีกเดือนเดียวก็หายเป็นปกติ โชคดีที่ไม่ได้รับนิมนต์ใครไว้ก็ว่าจะถือโอกาสพักผ่อนจะเขียนหนังสือให้เสร็จหลวงพ่อทราบล่วงหน้าหรือเปล่าครับว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่ทราบลอกผู้พันเขาเพิ่งมาบอกเมื่อเช้าตอนหกโมงอาตมาหมายถึงเจ้ากรรมนายเวนอะอีกสิบห้านาทีหลังจากนั้นอาตมาก็ตกบันได ผู้พันคิดดูก็แล้วกันอัตมาขึ้นลงบันไดนี้ทุกวันแล้วทำอย่างนี้มาเกือบ2ี่สิปีโดยไม่ตกเลยเรียกว่าหลับตาเดินขึ้นลงก็ยังได้หมายความว่าถ้าไม่เป็นเพราะกรรมที่เคยหักขานกหลวงพ่อก็จะไม่พลัดตกบันไดใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอัตมากำหนดสติตลอดเวลาทุกอิริยาบถ ผูพันเห็นหรือยังว่ากฎแห่งกรรมมันไม่เคยปราณีใครแล้วก็ไม่เคยขอรับชั้นครับหลวงพอ่อแต่คนทุกวันนี้เขาไม่ค่อยเชื่อกันว่ากรรมนั้นมีจริงบ้านเมืองก็เลยเต็มไปด้วยการช่อราดบังหลวงนั่นเพราะคนที่เชื่อมักจะถูกคนอื่นหัวเราะเยาะว่างโงเ่เขลาเป็นเต่าล้านปี ไม่มีใครอยากเป็นคนโง่จริงไหมท่านเจตนาทดสอบคุณธรรมประจำใจของคนเป็นทหารแต่สำหรับผมผมคิดว่าเป็นคนโง่แต่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ยังดีกว่าเป็นคนฉลาดแล้วตกนรกครับนายทหารตอบเสียงดังฝั่งชัดโอ้โหผู้พันตอบสมกับเป็นชายชาติทหารกล้าเลยเชียว อาตมาขออนุโมทนาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงชมพรางกำหนดปวดหนอปวดหนออยู่ในใจ